เจริญันท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ เึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจให้เจริญขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงด้วยความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอน และนพระ อ, อริยสงสาวคเวเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ตัดสู้โดยชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้หลุดพ้นจากทิเลสอาสวะทั้งปวงเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทพะดะเป็นศาสดา ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นบุคคลที่พึงกงการว่าบูชาและศึกษาเชื่อฟังเพราะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพวกเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญบรารมีมาอย่างโชคโชง หลายพบหลายชาติด้วยกันจนถึงชาติสุดท้ายก็ได้มาตะสูิเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารและได้ทรงออกทรงผนวชในอายุ29พรรษาก่อนที่จะทรงออกผนวชนั้นมีสิ่งที่ทำให้พระองค์ได้มี ความคิดที่จะแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีในการเกิดแก่เจ็บตายเช่นในสมัยที่พระองค์ทรงพระเยาวได้ทรงประทับอยู่โคนต้นไม้ตามลำพังในขณะที่บริษัทบริวารทั้งหลายได้ไปทำภารกิจ อย่างอื่นยังได้ปล่อยให้พระองค์อยู่ตามลําพังเนื่องจากบารมีที่พระองค์ได้เคยบําเพ็ญมาในอดีตพออยู่ตามลําพังไม่มีใครมาห้อมล้อมพระทัยของพระองค์ก็รวมลมเข้าสู่ความสงบได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์เองเป็นความสุขที่มี ความมาหัศจรรย์เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่พระองค์ทรงได้รับในฐานะพระราชาภูมา น, นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระองค์ทรงเห็นว่าความสุขทางโลกความสุขทางาลาภยศเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ เป็นความทุกข์มากกว่าเพราะทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนโดยเฉพาะเวลาที่พระองค์ได้เสด็จประาพาสนอกพระราชวังแล้วได้ไปเห็นคนแก่ที่พระองค์ไม่เคยเห็นเพราะในพระราชวังนี้พระราชบิ ด, ดาจะให้คนที่หอมร้องพระ ราชกุมารนั้นเป็นแต่คนหนุ่มคนสาวคนที่มีรูปร่างตาหน้าตาดีสวยงามจึงไม่เคยเห็นคนแก่ว่าเป็นอย่างไรพอทรงเห็นครั้งแรกก็เกิดความวิตกขึ้นมาในพระทัยและทรงถามผู้ติดตามว่าเป็นใครเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นคนเหมือนเราเหมือนพระองค์นี่หละครับ แต่เมื่ออยู่ไปนานๆเข้าอายุมากขึ้นก็จะต้องมีความแก่นี่ทำให้พระองค์ได้เริ่มคิดถึงสภาพของพระองค์เองว่าจะไม่ได้เป็นพระราชกุมารเป็นหนุ่มไปตลอดสักวันหนึ่งก็จะต้องแก่ลงไปครั้งที่สองทรงอกประพาสก็ทรงเห็นคนนอนป่วย ตามข้างถนนล้องโอดควรครานด้วยความทุกข์ทรมานก็ทรงถามว่าเขาเป็นอะไรก็ได้รับคำตอบว่าเขาไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นปกติของทุกๆคนที่เกิดมาเมื่อมีอายุมากขึ้นมากขึ้นร่างกายก็จะอ่อนแอลงไป ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างที่ทรงเห็นอย่างนี้แหละและหลังจากนั้นครั้งที่สามพระองค์ก็เสด็จออกอีกครั้งหนึ่งก็ทรงเห็นคนตายก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็เลยถามก็บอกว่าก็เป็นคนเหมือนพระองค์นี่แหละที่เมื่อแก่แล้วเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่สามารถหายจาก โรคภัยไข้เจ็บได้ก็จะต้องตายไปพระองค์ก็เลยมีความวิตกอย่างยิ่งต่อชีวิตของพระองค์ที่ไม่เคยได้ทราบเลยว่าพระองค์นั้นจะต้องแก่ลงไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปในในที่สุดหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเห็นมีนักบวช เดินอยู่ก็ทร mm hmm. งถามว่าพวกนักบวชนี้เขาเป็นใครเขาทำอะไร mm hmm. ก็ได้คำตอบว่า mm hmm. เขาเป็นผู้ที่จะแสวงหาความหลุดพ้นจากความแก่จากความเจ็บจากความตาย mm hmm. เขาได้สละการครองเรือนจากการเป็นสามีมีบุตรมีทิดาแล้วก็ ออกไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อเจริญจิตตภาวนาเพื่อจะได้ให้พบทางที่จะนำพาไปสู่การหลุดพ้นจากการแก่การเจ็บการตายหลังจากที่ได้ทราบอย่างนี้ก็เลยทำให้พระองค์มีกำลังใจขึ้นมาครั้งแรกคิดว่าเมื่อเกิดมาแล้ว ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระองค์ก็รู้สึกมีความเศร้าหมองเพราะไม่มีใครอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายแต่หลังจากที่ได้พเห็นสัมมณะนักบวชจึงทําให้พระองค์ทรง ม, มีกําลังใจที่ว่ายังมีทางที่จะพาให้ไปสู่การไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ดังนั้น ในคืนที่พระองค์ได้ทรงรับทราบข่าวว่าพระมเหสีได้ทรงคลอดพระราชโอรสขึ้นมาพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยว่าจะต้องออกจากวังในคืนนั้นเพราะพระราชโอรสนี้เป็นเหมือนบ่วงถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถออกบวชได้ทรงอุทานว่า พระราหุลราหุลนี้แปลว่าบ่วงเขาก็เลยตั้งชื่อของพระราชอาอรโว่าพระราหุลความหมายก็คือเป็นบ่วงที่จะคล้องขอพ่อแม่ให้ต้องต้องติดอยู่กับกับกับลูกลูกเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเลี้ยงดูดูแล แล้วก็ต้องเป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นกังวลอยู่ไปจนกว่าจะตายจากกันไปพระองค์ทรงพิจารณาแล้วจึงทรงตัดสินพระทัยสเสด็จออกจากพระราชวังในคืนนั้นโดยไม่ได้บอกให้ใครทราบเลยแล้วเมื่อออกไปแล้วก็ทรงทรงพรนวดทรงดำรงสัมมาเทศและ ศึกษาปฏิบัติหาแนวทางเพื่อให้ให้ได้ดุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายในเบื้องต้นก็ได้ไปศึกษากับพระอาจารย์สองรูปที่สามารถสอนให้จิตเข้าสู่ความสงบแต่ไม่สามารถสอนให้ทำให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ พระ อ, องค์จึงต้องลีดไปทรงบงเพ็ญด้วยพระ อ, องค์เองมีพระบรญจารวคีเป็นผู้ติดตามแล้วก็ทรงทดลองวิธีการต่างๆจนในที่สุดพระ อ, องค์ก็ได้บพบทางที่จะไปสู่การไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกต่อไปนั่นก็คือ การไม่มาเกิดใหม่นั่นเองเพราะตราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและทรงพิจารณาเห็นเหตุที่จะทำให้พระองค์ต้องไปเกิดก็ทรงพบว่าเป็นความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทยของพระองค์ เป็นความอยากสามประการด้วยกันที่เรียกว่าตัณหาประการแรกก็คือกามตัณหาความอยากในกามการนี้ก็คือกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดพภะถ้ายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดพพาชนิดต่างๆ เช่นอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรสอยากจะดมกลิ่นอยากจะสัมผัสทางร่างกายสัมผัสชนิดต่างๆทางร่างกายถ้ามีความอยากเหล่านี้ก็จะทำให้จิตใจต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดในการมาพบเช่นพบของมนุษย์และเทวดาและสัตว์เดรัจฉาน ดวงใจที่มาเกิดในกามาพบทุกดวงนี้มีกามาตัญหาติดมาด้วยกันทุกคนไม่ต้องสอนเรื่องกามกามาตัญหานี้มีอยู่ในใจของทุกๆคนอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดืม่มอยากนมกลิ่นชนิดต่างๆถ้าให้อยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆไม่ให้ทําอะไรก็จะรู้สึกหงุดหงิด ทรมานใจยิงไม่มีใครอยากจะติดคุกติดตารางกันทั้งเที่ยงที่การติดคุกติดตารางนี้แสนจะสบายเพราะมีคนมียางเฝ้าปลอดภัยไม่มีใครจะมาทําร้ายเราได้มีคนคอยนําอาหารมาให้รับประทานอยู่ทุกวันทุกอย่างฟรีหมดข้าวก็ฟรีที่อยู่ก็ฟรีเสื้อผ้าก็ฟรีฟรีทุกอย่างแต่ไม่อยากจะอยู่กัน เนื่องจากอำนาจของกามาตัญหาที่มีอยู่ภายในใจนั่นเองเวลาเกิดความอยากดูรูปฟังเสียงแล้วจะมีความรู้สึกอึดอัดใจเศร้าส้อยหงอยเหงาเหมือนกับเวลาที่เราต้องอยู่บ้านเนื่องจากเราไม่มีเงินออกไปเที่ยวข้างนอกวันนั้นจะรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว่าเวแต่พอวันไหนมีเงิน ได้ออกไปเที่ยวได้ไปซื้อข้าวซื้อของได้ไปดูได้ไปฟังอะไรต่างๆวันนั้นก็จะมีความรู้สึกดี อ, อกดีใจแต่เป็นความสุขไม่นานเพราะหลังจากนั้นพอกลับมาอยู่ที่บ้านความสุขความดี อ, อกดีใจต่างๆเหล่านั้นก็หายไปแล้วพอวันต่อไปอยากจะออกไปอีกถ้าไม่มีเงิน ที่จะออกไปก็จะมีความเศร้าหมองมีความว้าเหวมีความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่คือความทุกข์ที่ตามมาจากการที่มีความอยากในการคือกามาตัญหานี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่มีกามาตัญหานี้ยังต้องไปเกิดใหม่จะเกิดสูงเกิดตัน ก็อยู่ที่บุญกรรมที่ทำไว้ถ้าไม่ได้ทำบาปเช่นอยากจะได้อะไรก็ไปทำมาด้วยความไปหามาด้วยความสุดจริญไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาถ้าหาสิ่งต่างๆได้มาโดยสุดจริญไม่ผิดศีลผิดธรรม ตายไปก็ไม่ต้องไปใช้ใช้กรรมใช้บาปในอบายคือไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยหรือถ้าได้ทําบุญเช่นอย่างญาติโยมมาทํากันในวันนี้เอาข้าวของกับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานจะถูกปัจจัยต่างๆมาถวายพระ อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญให้ทานถ้าทาบุญให้ทานด้วยแล้วไม่ทำบาลด้วยแต่ยังมีการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เวลาตายไปก็จะได้ไปเป็นกายที่ไปเป็นเทพขั้นต่างๆแล้วก็เสวยผลบุญที่ได้ทำเอาไว้จนกว่าจะหมด แล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะยังมีความอยากในรูปเสียงเก่งรถอยู่ยังต้องกลับมาเกิดเพราะต้องมีร่างกายไว้เสกถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถมองเห็นภาพได้ไม่สามารถได้ยินเสียงได้จึงต้องหาร่างกายเวลาที่มีการตั้งครรภ์อยู่ในท้องใจที่มีกามาทันหานี้ก็จะไป จับจองทันทีเหมือนคนที่ขับรถหาที่จอดรถก็จะขับเวียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีช่องว่างให้จอดรถฉันใดใจที่มีการมาตัณหาก็ฉันนั้นเวลาอยากจะเกิดก็ต้องเวียนไปหาท้องที่มีขันนี่ที่มีการตั้งขันใครไปถึงก่อนก็ได้จับจองก่อนก็จะได้ได้ได้มาเกิดใหมอ่อีก พอมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาดจากกันอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเราเราไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าตายไปแล้วเราจะเป็นอะไรต่อไปถ้าเราหลงคิดว่า เราเป็นร่างกายเราก็จะคิดว่าตายแล้วก็จบตายแล้วก็สูญเพราะร่างกายเมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถไปรับผลบุญผลบาปได้มีแต่จะถูกเผาให้กลายเป็นขี้เท่าเท่านั้นเองแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินความจริงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเหล่านี้ไม่ใช่ร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราเป็นตัวรู้ตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดตัวนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวนี้แหละที่ไปรับผลบุญผลกรรมที่ได้ทำเอาไว้ที่ปรากฏขึ้นในใจของตนนั้นเองที่ปรากฏในตัวรู้นี่แหละคือสวรรค์ก็อยู่ในตัวรู้นี้นรกก็อยู่ในตัวรู้นี้เวลาเสกความสุขก็ตัวรู้นี้เป็นผู้เสษ เป็นผู้อยู่ในสวรรค์เวลาเสกความทุกข์ตัวรู้นี่ก็เป็นผู้เสกตัวรู้นี้เป็นผู้ที่อยู่ในนรกเพราะความทุกข์ก็คือนรกนี่เองนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้ไม่เห็นกันก็เลยทําให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบได้เห็นว่าทําบุญทําบาปแล้วไม่มีผลอะไรตามมาต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้ว คนพวกนี้จริงไม่ค่อยกลัวการทำบาปไม่กลัวไม่กลัวบาปกันทำกันอย่างอย่างสบายอกสบายใจคิดว่าอย่างมากก็แค่ตายแต่ก่อนตายก็ขออยู่ให้อย่างมีความสุขจะโกงจะกินบ้านเมืองอย่างไรก็ไม่สนใจขอให้ตนเองมีความสุขมีอำนาจวาสนามีเงินมีทองมีบริษัทมีบริวาร กล้าทำบาปอย่างไม่มีความเกรงกลัวต่อผลบาปที่จะตามมาอย่างไรแต่เวลาตายไปแล้วก็สายไปเสียแล้วเวลาตายไปแล้วใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ก็จะกลายเป็นนรกขึ้นมาหรือกลายเป็นเปรตขึ้นมาหรือกลายเป็นเดรัจฉานขึ้นมาขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ทำไว้ว่าทำหนักหรือทำเบา นี่คือบุญของพวกเราวาสนาของพวกเราที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังประวัติของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนได้ยินได้ฟังประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้สัมผัสได้กราบไหว้กับพระอริยสงฆ์ ผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พยายามสอนให้เราเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษเชื่อในนรกเชื่อในสวรรค์ถ้าเราเป็นคนที่มีปัญญาพอเราก็จะเชื่อแต่การเชื่อทังพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงายเป็นการเชื่อเพื่อให้เอาไปพิสูจน์ เหมือนกับเชื่อหมอหมอให้ยามาก็เชื่อว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้แต่จะหายหรือไม่หายนั้นต้องอยู่ที่ว่าเรารับประทานยานั้นหรือไม่ถ้าเราไม่รับประทานยาเราก็จะไม่รู้ว่ายานี้จะรักษาโรคให้หายได้หรือไม่แต่ถ้าเรารับประทานยาแล้ว เราก็จะรู้อย่างแน่นอนว่าหายรูาาย้ไม่หายถ้าไม่หายก็จะได้รู้ว่าหมอคนนี้ให้ยาไม่ดีมาให้ยาผิดมาเราก็ไม่ต้องไปเชื่อหมอคนนี้อีกต่อไปแต่ถ้าหมอคนนี้ให้ยามาแล้วยาที่รับประทานนี้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะเชื่อหมอคนนี้จะศรัทธาหมอคนนี้เวลามีโรคภัยไข้เจ็บก็จะกลับไปหาหมอคนนี้อีก นั่นใดความเชื่อในพระพุทธศาสนาก็เช่นกันท่านสอนว่าให้เราทำบุญละบาปชำระตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราจะไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เราเป็นกันอยู่อย่างนี้ถ้าเราเชื่อและปฏิบัติได้ดีไม่ดีชาตินี้ก็อาจจะเป็นชาติสุดท้าย ของเราก็ได้เพราะเราไม่ต้องบำเพ็ญบุญบารมีอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญมาเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีใครบอกทางไม่มีใครสอนต้องคลำหาทางเองเหมือนคนตาบอดคลำหาทางย่อมเป็นสิ่งที่ยากมากกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่พอมีคนนำทางไปนี้ คนตาบอด น, นี้ก็สามารถเดินตามไปได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ก้าวก็เดินถึงแล้วจุดหมายปลายทางมันไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็เลยเดนเราก็เลยเดินวนไปวนมาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหาไม่เจอสักทีพอมีคนตาดีมาบอกว่าอยู่ตรงนี้เองไม่ใกลหรอกเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วพอเราเชื่อแล้วเดินตามไป ก็จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วดังที่ได้ปรากฏมาแล้วในสมัยพระพุทธการมีพระอริยสงสาวกพระอาหารหันตปรากฏขึ้นมาเป็นเหมือนดอกเข็ดเลยเพราะมีพระพุทธเจ้าทรงพาเดินไปทุกครั้งที่ทรงแสดงธรรมจะมีผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมากันเป็นจนํานวนมากบางครั้งแสดงธรรม ทีนึงก็มีบรรลุถึง500รอรูปเลยทีเดียวเพราะพวกนี้เขาขาดผู้นําทางเท่านั้นเองพอมีผู้นําทางแล้วเขาก็เชื่อพิสูจน์ตามที่ท่านได้สอนไว้ให้ทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นพอทําไปปั๊บเดียวเท่านั้นก็ได้บรรลุกันขึ้นมาเลยนี่แหละคืออํานาจบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าและอํานาจของศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้า เชื่อในพระธรรมคาสอนเชื่อในพระอริยสงสาร ว, ว่าท่านเป็นผู้ที่จะนำพาให้เราหลุดพ้นจากความแก่จากความเจ็บจากความตายได้อย่างแน่นอนขอให้เราเชื่อแล้วพยายามปฏิบัติตามเถิดรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจะได้ผลมากหรือผลน้อยจะช้าหรือเร็วนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเอง อยู่ที่อัตตาหิอั ต, ตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารุกนั้นท่านไม่สามารถปฏิบัติให้เราได้ท่านไม่สามารถเสดเปล่าให้เราหลุดพ้นได้ต่อให้เรากราบไหว้แล้วขออธิษฐานจิตว่าให้ท่านช่วยเราให้เราหลุดพ้นแล้วท่านก็ช่วยเราไม่ได้ สิ่งที่ท่านช่วยเราได้ก็คือนำทางบอกทางให้กับเราเท่านั้นถ้าเรารู้ทางแล้วเราไม่เดินไปเราก็จะไม่มีวันที่จะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับที่หมอให้ยามาแล้วเราไม่รับประทานยาเราก็จะไม่มีวันที่จะหายจากโรคภยัยไข้เจ็บของเราได้เราต้องเชื่อหมอแล้วกินไปไม่ต้องกลัว คิดว่ามันจะเป็นยาพี่ก็กินไปยอมตายเหือนเพื่อจะได้พิสูจน์รู้ว่ายานี้ดีหรือไม่ดีศาสนาพุทธคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเชื่อต้องยอมตายท่านบอกให้สละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมก็ต้องยอมกล้าที่จะสละชีวิตอย่างพระสาวกทั้งหลายที่ท่านต้องไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ในที่เสี่ยงภัยต่ออันตรายต่างๆ ต้องอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากท่านยอมท่านยอมเสี่ยงยอมตายยอมอดเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโมหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่นั่นเองแล้วท่านก็ไม่มีองค์ใดที่ผิดหวังเลยทุกองค์ที่ปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอารหันต์นั้นไม่มีองค์ใดมาปฏิเสธ มากล่าวร้ายต่อพระพุทธเจ้าเลยว่าสอนแบบผิดๆถูกๆสอนแล้วไม่ได้รับผลอย่างที่ได้ทรงประกาศเอาไว้ในแต่ทุกองค์รับรองนับร อ, องพระพุทธเจ้าทั้งนั้นว่าเป็นสวาขาโตภะวตาธรรมโมว่าเป็นสัทธาเทวมนุษส์นัง เ, ออเป็นศาสดาของมนุษย์และเทพทั้งหลายออออนี่คือพระพุทธเจ้าของเรา ที่ทรงเป็นเหมือนแก้วอันประกาศที่พวกเราได้มีโอกาสมามาเป็นเจ้าของมาครอบของไว้แล้วอยู่ที่พวกเราว่าเราจะตักตวงประโยชน์จากแก้วอันประริฐนี้อันได้อันนี้ได้หรือไม่เท่านั้นอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่วิริยะความขยันหมั่นเพียรที่จะต่อสู้ต่อความทุกข์ยากลําบาก ท, ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ที่จะต้องมีความกล้าหาญที่จะกล้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแรกกับการที่จะต้องไม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปถ้าเรายังหวงยังหวงสิ่งต่างๆอยู่ยังหวงสมบัติเข้าของเงินทองยังหวงฐานะตำแหน่งต่างๆยังหวงบริษัทปริวารยังหวงสามีภรรยาบุตรธิดาอยู่เราจะไม่มีโอกาส เราจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความแก่จากความเจ็บจากความตายได้แต่ถ้าเราเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นไม่ช้า ก, ก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปอยู่ดีเขาก็ต้องจากเราไปอยู่ดีแล้วเรามาหวงมาห่วงทําไมไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสู้ปล่อยเขาไปดีกว่ายกให้คนอื่นเขาไปเราเราขออิสรภาพออกไปเพื่อปฏิบัติ ตามพระพุทธเจ้าจะดีกว่าเพราะเราจะได้ผลอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้รับกันนั่นเองถ้าเราอยู่กับสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบเราหวงเราห่วงเราก็จะอยู่กับกองทุกข์เราจะอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายไปไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นเราต้องเป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจเองต้องเลือกทางเดินเองว่า เราจะไปทางไหนเราจะไปทางสู่ความแก่ความเจ็บความตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือเราจะไปสู่การสิ้นสุดของความแก่ความเจ็บความตายอยู่ที่เราที่จะต้องตัดสินใจจึงขอฝากเรื่องของความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ประเสริฐที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจิตรณาและปฏิบัติตามสมควรแก่กำลังแห่งศรัท ธ, ธาวิริยะสติและปัญญาของท่านเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไววเพียงเท่านี้